หัวข้อประจำวาระธรรมที่ก่ออาบัตและธรรมที่ไม่ก่ออาบัตอาบัตและอนาบัตอาบัตเบาและอาบัตหนักอาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลืออาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบอาบัตที่ทำคืนได้และอาบัตที่ทำคืนไม่ได้ อาบ um ัตที่เป็นเทศนาคามินีและอาบัตที่เป็นอะเทศนาคามินีอาบัตที่ทำอันตรายและอาบัตที่ไม่ทำอันตรายอาบัตที่มีโทษและอาบัตที่ไม่มีโทษอาบัตที่เกิดจากการกระทำและอาบัตที่เกิดจากการไม่ทำ อาบัตที่เกิดจากการกระทาและไม่กระทาอาบัตก่อนและอาบัตหลังอาบัตระหว่างอาบัตก่อนและอาบัตระหว่างอาบัตหลังอาบัตที่นับเข้าจำนวนและอาบัตที่ไม่นับเข้าจำนวนบัญญัตและอนุบ <scrub> ัญญัตอนุปปณะบัญญัตสัพพถบัญญัตและปะเทสะบัญญัต สาธารณบัญญัติและอสาธารณบัญญัติเอกโตบัญญัติและอุพโตบัญญัติอาบัตมีโทษหนักและอาบัตที่มีโทษเบาอาบัตที่เกี่ยวกับคฤหัตและอาบัตที่ไม่เกี่ยวกับคฤหัตอาบัตที่แน่นอนและอาบัตที่ไม่แน่นอนบุคคลผู้เป็นต้นบัญญัติ และบุคคลผู้ไม่เป็นต้นบัญญัติบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัตเป็นนิดและบุคคลผู้ต้องอาบัตหนึองเนืองบุคคลผู้เป็นโจดและบุคคลผู้เป็นจำเลยบุคคลผู้ฟ้องโดยไม่เป็นธรรมและบุคคลผู้ถูกฟ้องโดยไม่เป็นธรรมบุคคลผู้ฟ้องโดยเป็นธรรมและบุคคลผู้ถูกฟ้องโดยเป็นธรรม บุคคลผู้แนนอนและบุคคลผู้ไม่แนนอนบุคคลผู้ควรต้องอาบัดและบุคคลผู้ไม่ควรต้องอาบัดบุคคลผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมและบุคคลผู้ไม่ถูกสงลงอุเข…ปนยกรรมบุคคลผู้ถูกนาสนะและบุคคลผู้ไม่ถูกนาสนะบุคคลผู้มีสังวาสเสมอกัน และบุคคลมีสังว่าต่างกันการงดและหัวข้อดังกล่าวนี้จัดรวมเข้าด้วยกัน